เอาชาไฟฟ้าวันที่สองแล้วรู้เรื่องบางอย่างการปฏิบัตินะมีสติจะมีสัมมาสมาธิแล้วมันจะเกิดปัญญามีสติคอยะระลึกรู้กายะระลึกรู้ใจมีสัมมาสมาธิคือจิตตั้งมั่นในขณะที่รู้กายรู้ใจจิตต้องไม่ไหลไม่ไหลไปที่อื่นไม่ไหลเข้าไปในกายไม่ไหลเข้าไปในใจดูเฉยเฉย ใจตั้งมั่นถ้าใจเป็นตั้งมั่นอยู่แล้วสติระลึกรู้กายรู้ใจเนี่ยมันจะเกิดปัญญาในทันทีนั้นเลยคือปัญญาจะเห็นว่าร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่นั้นไม่ใช่ตัวเราเห็นทันทีร่างกายเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุมันไม่ใช่ตัวเราหรือเห็นว่าร่างกายนั้นถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาจะเห็นทุกขัง เห็นเห็นทุกนะแ ล, ะและ้วก็เห็นอนัตตาง่ายร่างกายเนี่ยดูไม่เที่ยงดูยากนิดหนึ่งกว่าสติเร็วๆจิตตั้งมั่นมากๆจะเห็นรูปมันเกิดดับวับวับวับเห็นเกิดดับถี่ยิบเลยอันนั้นดูลําบากนิดนึงดูให้เห็นว่ามันถูกความทุกข์บีบคั้นให้เรานั่งอยู่เนี่ยนั่งไปเรื่อยๆก็เมื่อยนอนนานๆก็เมื่อยเดินมากๆก็เมื่อยยืนมากๆก็เมื่อยความทุกข์มันไล่ตามอยู่ หายใจออกหายใจออกก็เพื่อแก้ทุกข์หายใจออกไปสักพักหนึ่งก็ทุกข์มากขึ้นอีกแล้วก็ต้องหายใจเข้าแก้ทุกข์หายใจเข้าแก้ทุกข์สักพักหนึ่งก็ทุกข์อีกแล้วก็ต้องหายใจออกแก้ทุกข์อีกนี่ดูอยู่อย่างนี้นะในร่างกายดูเป็นวัตถุก้อนธาตุก็ได้เห็นเป็นแค่ก้อนธาตุท <Gentle confer dles> ี em. lasse, ่เคลื่อนไหวบางคนก็เห็นเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งบางคนเห็นเหมือนตัวอะไรตัวหนึ่งไม่รู้ว่าตัวอะไรหรอก เป็นก้อนก้อนเป็นท่อนๆเคลื่อนไหวไปไม่ใช่ตัวเราเนี่ยมันมีปัญญาถอดถอนความเห็นผิดว่าร่างกายเป็นตัวเรานี่ถ้าเรามีสติเรารู้จิตใจมีสัมมาส ม, มาธิใจตั้งมั่นในการรู้จิตใจไม่ไหลเวลาดูจิตที่ไม่ไหลเข้าไปดูจิตไม่ไหลเข้าข้างในไม่ไหลออกไปข้างนอกตั้งมัน่นสักว่ารู้สักว่าเห็นอยู่ ก็จะเกิดปัญญาเห็นความจริงเลยว่าจิตมันไม่เที่ยงตัวจิตดูว่าไม่เที่ยงเนี่ยดูง่ายแล้วจิตเป็นของที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากทุกๆวินาทีนะเปลี่ยนไปเรื่อยๆวับวับวับวับวบัไปเลยถ้าสติปัญญารวดเร็วเราจะพบว่าจิตมันเกิดดับสืบเนื่องกันไปเรื่อยๆมันไม่ใช่มีดวงเดียวคนซึ่งไม่ได้ภาวนาภาวนาไม่เป็นจะเห็นว่าจิตมีอยู่ดวงเดียว หรือว่าเห็นว่าไม่มีจิตเอาเลยบางคนว่าไม่มีจิตมีแต่สมองพวกนี้มันรู้จักแต่สัตว์ที่มีสมองสัตว์ที่ไม่มีสมองเนี่ยไม่รู้จักงานจริงๆแล้วคอยรู้สึกไปนะจิตมันเกิดดับบางคนก็เห็นจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมีช่องว่างเล็กๆมาขั้นอยู่มีอีกดวงหนึ่งเกิดขึ้นมาทางานสืบทอดกันไปเป็นช่วงช่วงช่วงสืบทอดไปเรื่อยๆเป็นลูกโซ่ หรือเราจะดูจิตเป็นอนัตตาก็ได้นะบางคนก็เห็นจิตเป็นอนัตตามันบังคับไม่ได้มันจะสุขหรือมันจะทุกข์ก็เลือกไม่ได้มันจะดีหรือมันจะชั่วเลือกไม่ได้ห้ามก็ไม่ได้สั่งก็ไม่ได้เนี่ยเราดูไปเรื่อยๆก็จะเกิดปัญญาเห็นว่าจิตนี่เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้คนเห็นจิตเกิดดับเกิดแล้วก็ดับไปมีช่องว่างมาขั้นบางคนก้เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันทํางานของมันเองดูยังไงก็ได้นะ ให้ลงใจลักษณ์แต่ไม่ใช่คิดเอาปัญญามันเกิดเพราะสองอย่างนะงพ่อย้ำแล้วย้ำอีกอันแรกเลยมีสติรู้กายรู้ใจที่กําลังปรากฏในปัจจุบันนั้นถ้ารู้กายรู้ใจในอดีตไม่เรียกว่าสติเรียกว่าสัญญาถ้ารู้ในอนาคตก็ไม่เรียกว่าสติหรอกเรียกว่าสังขารปรุงไปคิดไปฟุ้งไปรู้ลงปัจจุบันก็เรียกมีสติรู้กายรู้ใจ มีใจที่ตั้งมั่นในขณะที่รู้กายรู้ใจต้องไม่ไหลไปไม่เผลอไปที่อื่นแล้วก็ไม่ไปเพ่งกาย<ๆ>เพ่งใจเอาไว้ด้วยเวลาที่เราเพง่งถ้าฝึกไปช่วงหนึ่งจะเห็นเวลาที่เราเพ่งเนี่ยจิตมันเคลื่อนไปเคลื่อนไปนิ่งนิ่งแช่แช่อยู่ที่กายที่ใจไม่ว่าเราจะเพ่งอะไรนะจิตเันจะเคลื่อนไปไม่ว่าจิตสง่งออกนอกทั้งหมดเลยนั้นเราคอยสังเกตถ้าจิตไหลไปแล้วก็แสดงว่าจิตไม่ตั้งมั่นนะ ไหลไปทางตาบ้างไหลไปทางหูเนี่ยเร็วเรียนนะเรียนจนกระทัเรามีสติขึ้นมาเรามีสัมมาสมาธิขึ้นมาก็จะเกิดปัญญาพอมีปัญญาแล้ววิมุตติมันจะตามมาเองเพราะมันเห็นความจริงแล้วกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราก็าะจะตัดครั้งแรกนะถ้เป็นพระโสดาดูลงไปอีกกายกับใจมันทํางานไปเรื่อยๆนะอกิเลสไหววับก็รู้สึกไหววับก็รู้สึกตัวไปชว่วงนึงตัดอีกแล้วเห็นความจริงอีก ตัดครั้งที่สองนะกิเลสจะเบาบางแลตัดครั้งที่สมนะมันมีปัญญาเห็นว่ากายนี้มันทุกข์ล้นลนเลยตัดครั้งสุดท้ายนะมันมีปัญญาเห็นว่าจิตนี้มันทุกข์ล้นลนเลยตรงที่เห็นจิตเป็นทุกข์ล้นลไม่ใช่ว่าเราต้องดูจิตนะบางคนดูกายนี่แหละพอถึงขั้นสุดท้ายก็เห็นจิตเป็นทุกข์ล้นลนแล้วสลัดคืนจิตให้โลกไปหรือในเบื้องต้นที่ว่าเห็นกายเป็นทุกข์บางคนไม่ได้ดูกายเลยดูแต่จิต ถึงจนหนึ่งปัญญามันปิ้งขึ้นมาว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆมันเป็นเรื่องแปลกนะดูกายก็รู้จิตดูจิตก็รู้กายถ้าดูเป็ น, นเพราะดูจิตนะจิตกับกายมันก็เนื่องกันดูกายนะกายกับจิตมันก็เนื่องกันอีกสัมพันธ์กันเวลารู้จะรู้ทั้งกายทั้งจิตนั่นแหละ ไ, ไม่ได้ร่วนเดียวเพราะั้นในขั้นที่จเจริญปัญญาแล้วไม่มีสายกายสายจิตไม่มีละบางครั้งสติะระลึกรู้กายด้วยจิตที่ตั้งมั่น บางครั้งสติระลึกรู้จิตด้วยจิตที่ตั้งมั่นมันรู้ไปด้วยกันและแล้วแต่ว่าจะเอาอะไรเป็นเครื่องอยู่ก็รู้ทั้งสองอันนั้นแหละเพงั้นพวกเราต้องหัดพัฒนานะสติเดิมไม่เคยเกิดสติเลยคนในโลกไม่มีสติที่แท้จริงมีแต่สติธรรมดาธรรมดาสติเวลาใจของเราเป็นกุศลเป็นบุญเป็นกุศลอะไรเงี้ยอยากฟังธรรมอยากมาหาหลวงพ่ออยากใส่บาตรอยากอะไรเนี้ยนะ ใจมันมีสติเหมือนกันนะ่เป็นสติธรรมดาสติอยู่กัโลกสติที่เป็นกุศลเรียกว่าสาธารณกุศลคล้ายๆปอเตกตึงนะสับตัวเนี้ยสาธารณกุศลมันกุศลทั่วๆไปกุศลพื้นๆ น, น, นะนี่ถ้าเราหัดมารู้สึกกายรู้สึกใจเนี่ยเป็นกุศลอันยิ่งเลยเพราะประกอบด้วยสติประกอบด้วยปัญญา บุญใดที่ประกอบด้วยสติประกอบด้วยปัญญาเป็นบุญใหญ่บุญใดไม่ประกอบด้วยปัญญาเป็นบุญเล็กน้อยแต่บุญก็ต้องประกอบด้วยสติทั้งนั้นแหละ <c oughs> ถ้าไม่มีสติจิตก็เป็นอกุศลถ้ามีสติจิตก็เป็นกุศลนีจิตที่เป็นกุศ ล, ศลไม่มีหลายแบบ <c oughs> จิตที่เป็นกุศลบางอย่างไม่มีปัญญาก <c oughs> ุศลโง่โง่แต่ก็ดีกว่าอากุศลเ <N> ช่น <ce> มาหาหลวงพ่อแล้วก็มานั่งเคลิ้มมีความสุขตาลอย ใจมีความสุขนี่ความสุขที่ได้เห็นครูบาอาจารย์แล้วก็พเพลิดเพลินในความสุขนะก็ไปสวรรค์ได้แต่ถ้าใครมาเคลิ้มใส่หลวงพ่อครั้งแรกก็เฉยๆนะพอครั้งที่2ก็ชักจะมองๆแนละ้วครั้งที่3ด่าเลยเราไม่ต้องการนะมาให้มาคลั่งไคล้คลาซี่เราอย่างนั้นไม่ชอบนะทำแค่นั้นมันได้ต่ําต้อยเกินไปมันไปแค่สวรรค์เท่านั้นเองเราต้องเจริญสติให้ได้ ใจเราไหลไปเรารู้ทันไหลไปเรารู้ทันเรียกว่าตรงรู้ทันรู้เท่าทันมิ่มีปัญญาตรงมีปัญญานะมีสติด้วยมีปัญญาด้วยมันจะไปนิพพานได้ถ้ามีสติแล้วขาดปัญญานะมันก็จะไปทำบุญทากุศลธรรมดาธรรมดาวันวันก็คอยแต่ดูข่าววัดไหนเขาจะทอดกรถินจะได้ไปทอดกับเขาบ้างนะทอดแล้วคงได้บุญเยอะ พูดอย่างนี้นะเดี๋ยวคุณอาพิชาตเสียใจเมื่อปีนี้เป็นเจ้าภาพแต่คุณอาพิชาติเขาฉลาดเขาไม่เสียใจอย่างบอกคุณอาพิชาติบอกปีนี้สงที่นี่นะเขายกผ้ากรถินให้ป๋องให้ครูบา ป, ป๋องหลวงพ่อไม่ได้เอาคนเดียวทุกปีปีแรกหลวงพ่อเป็นคนรับกรถินรับผ้ากรถิ่นเองเป็นคนคล้องผ้ากลานเองเพรา อ, อะไรเพราพวกนี้เพิ่งบวชผ้าใหม่ว่าเรา ปีต่อๆมานะก็ส่งก็ไปดูแล้วผ้าของใครโกโลกโลก โ, ลโซที่สุดนะก็จะได้คนนั้นเนี่ยเป็นประโยชน์อย่างนี้เรียกว่าทําบุญแล้วมีปัญญานะทำแล้วทําขาดไม่ใช่โอ้ตายแล้วหลวงพ่อไม่ใส่ผ้าของฉันใจเศร้าหมองเศร้าไปเรื่อยนะทําบุญแล้วเศร้าหมองทีหลังเนี่ยไม่มีปัญญาอย่างนี้อันตรายมากถ้าตายไปแล้วไปเกิดด้วยบุญอันนี้นะจะได้เป็นคนพิการก็บุญไม่สมประกอบ แต่ถ้าทําบุญนะก่อนทํามีความสุขระหว่างทำนะมีความสุขหลังทําแล้วนึกถึงที่ไรก็มีความสุขเนี่ยบุญอย่างนี้มีกําลังมากแต่ถ้าจะดีกว่านั้นเราต้องประกอบด้วยปัญญามีปัญญาเห็นเลยว่าเราทําไปเพื่อละความเห็นยแก่ตัวละความโลภหรือทําไปเพื่อเพื่อกูลเพื่อสงเคราะห์เนี่ยทำไปไม่ใช่เพื่อเอาตัวเองเป็นตัวตั้งอย่างเราทําบุญเราช่วยคนนี้เราเอาเขาเป็นตัวตั้ง ไม่เอาตัวเองเป็นตัวตั้งนะเพราะฉะนั้นการทํากุศลใดๆเนี่ยถ้าทําเป็นเนี่ยมันจะค่อยๆลดตัวเองลงไปค่อยๆลดอัตตานะถ้าทําไม่เป็นมันจะพอกพูนอัตตามากขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่ร่ํารวยเห็นไหยเขาทําทานมาม า, มากเขาร่ํารวยหรือเขามีอํานาจมากนะมีพวกพ้องมากมีอํานาจมากทําไมเขาชั่วละ่ะอัตตาทําไมมันแรงกว่าคนธรรมดาเนะนี่แหละมันทําบุญมาแบบโง่ๆละ่นะเพราะฉะนั้นเรารู้เลยนะว่าใครบ้าง มันทำบุญแบบโง่โงนะถ้าทำบุญเป็ น, นมันจะลดละกิเลสเป็นเครื่องมือลดละกิเลสงั้นบุญทั้งหลายนะ10บประการสร้างไปแล้วก็จะได้บารมี10บประการขึ้นมาบารมีทั้งสิบประการเนี่ยจะเป็นเครื่องมือเป็นกําลังเวลาเราจะข้ามพบข้ามชาติจริงๆนะถ้าบารมีไม่ครบไม่พอแล้วก็ข้ามไม่ไหว บารมีทุกๆตัวเนี่ยทำไปเพื่อลดละอัตราตัวตนทั้งสิ้นเลยอย่างทานน้บารมีเรากล้าสละชีวิตเพื่อธรรมะไหมนะไม่ใช่ควักกระเป๋าจบเหนือหัวนะใส่ซองทอดกรถินไอ้อย่างนั้นก็ดีเหมือนกันนะแต่บางคนทอดไปก็กลุ้มใจไปนะทำไมซองมันเยอะนลววะวัดหลวงพ่อเลยไม่ให้ทำซองนะ ใครอยากทำก็ไปทำเออใครไม่อยากทําก็มาอนุโมทนาเฉยๆแค่นั้นก็ได้บุญละนะไม่ใช่ทําบุญแล้วมากลุ้มใจว่าเศรษฐกิจไม่ดีเงินไม่พอใช้นะทําบุญอย่างนั้นไม่ดีหรอกทําบุญอย่างนั้นจะได้ความเป็นคนพิการมาเนะนี่ยทำบุญอย่างเราทําทานนะเราสละสละสละอะไรสละความเห็นแก่ตัวนะจนกระทั่งต่อมาเนี่ยเราทานชั้นสูงเลยนะเรากล้ากระทั่งจะสละชีวิตเพื่อธรรมะ ในนาทีที่จะข้ามภพข้ามชาติเนี่ยมันจะรู้สึกเลยว่าตายแน่นอนล้วจะยอมตายเพื่อธรรมะไหมถ้าทําได้นะโอกาสผ่านเหมือนก็มีนะถ้ายัางเสียดายชีวิตอยู่ในขณะจะข้ามภพข้ามชาติเสียดายชีวิตอยู่จิตจะถอนเลยถอยแล้วไม่กล้าผ่านไปล้เพราะบารมีทุกตัวนะมันจะมาเกื้อกูลนี่ยกตัวอย่างให้ดูตัวเดียวพออยากฟังทั้งสิบตัวก็ไปเปิดซีเดียวานะเคยเทศไว้แล้วละ่ะ แต่อาจจะไม่ครบสิบเพื่อได้หลวงพ่อไม่ได้กลางตําราเทศแต่ทุกตัวนะเท่าที่ดูแล้วเพื่อลดละความยึดถือในตัวในตนทั้งสิ้นเลยเพรา ะ, ะั้นคุณงามความดีใดๆถ้ามีโอกาสก็ทำอย่าทำอย่างโง่ๆอย่าทําเพราะคิดว่าจะได้อะไรแต่ทําเพื่อเสียสละออกไปนะทำลายความยึดถือออกไปเป็นลําดับลําดับกูศนละใดก็ยังไม่ทําก็าดูไปหากูสนใดไม่ได้ละก็ต้องคอยสังเกต อย่างบางคนนะโกหกเป็นไฟเลยแล้วก็ชิดจะภาวนาวันหนึ่งบรรลุมรรคผลแล้วไม่คงเลิกโกหกไปเองใช้ไม่ได้นะกระทั่งกิเลสเบื้องต้นต้นอย่างสู้มันไม่ได้จะมาคุยเรื่องมรรคผลเฉะนั้นต้องไม่มีศีลก็ต้องมีศีลนะไม่เคยทําความสงบใจเลยมีแต่เรื่องฟุ้งซ่านก็ต้องรู้จักทําความสงบเข้ามาบ้างให้ใจได้พักผ่อนอยู่กับธรรมะบ้างไม่เคยจเจริญปัญญารู้กายรู้ใจก็มาหัดรู้กายรู้ใจไป เนี่ยทำกุศลไปให้ถึงพร้อมนะอาคุศลใดมีอยู่ก็ค่อยๆรู้ทันไปมันจะค่อยๆละไปะอย่าไปยอมนอนแช่อยู่กับอาคุศลหลายคนชอบไปนอนแช่อยู่กับกบอาคุศนโดยเฉพาะผู้หญิงนะชอบไปแช่กับอากุศนชอบไปคิดอะไรเศร้าๆอ่ะแล้วก็สวมวิ ญ, ญญาณนางเอกนะแมมมันแสบๆในใจแทแสบๆสะใจดีรู้สึกน้ำตาซึมๆนั่นแหละซ้อมไว้ตกนรกนะ เราอย่าไปนอนแช่อยู่กับกิเลสคอยสังเกตใจเราไปเรื่อยนะมีสติแล้วก็คอยรู้ไปกุศลใดเกิดขึ้นก็รู้ไปมันก็จะละไปกุศล น, นะพอเรามีสติขึ้นมารู้กายรู้ใจไปได้เดี๋ยวกุศลมันจะเจริญมันรู้ว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทํากุศลก็จะเจริญขึ้นเพราะนั้นมีสตินั้นก็ละชั่วมีสตินันก็ทําความดีมีสติจิตก็ผ่องแผ้วเพราะจิตไม่ถูกปรุงแต่งเราเห็นจิตมันปรุงแต่งแต่เราไม่ปรุงแต่งจิต จ no life, life, ิตมันปรุงแต่งคือมันทํางานของมันทั้งวันทั้งคืนเราก็รู้มันไปแต่เราไม่ปรุงแต่งจิตเช่นไม่ไปปรุงว่าทํายังไงมันจะต้องดีตลอดเวลาทําไงมันจะมีความสุขทําไงมันจะสงบนะเอาคอยรู้ไปนี่เป็นขั้นเจริญปัญญาแล้วไม่ต้องไปปรุงแต่งมันให้รู้ทันความปรุงแต่งโดยที่เราไม่ไปปรุงแต่งจิตถ้ารู้มาเข้ามาเข้านั้นเราจะเห็นความจริงเลยจิตมันทํางานของมันได้เองเราไม่ได้คิดจะโกรธเลยนะถ้าพอมันมีเหตุมันก็โกรธของมันเองเราไม่ได้คิดจะโลภเลยนะ พอมีเหตุมันก็โลภของมันเองเราไม่ได้คิดจะใจลอยเลยมันใจลอยของมันเองคุณมารีดูออกไหมมันดนีไปได้ของมันเองนี่เราคอยดูไป้เราจะเห็นมันไม่ใช่เราหรอกมันทํางานของมันเองเนี่ยดูไปดูไปถึงวันหนึ่งปัญญามันพอนะมันก็รวมเข้ามาตัดเลยปิ้งเลยเขาวนี้ได้เป็นพระโสดาบันเป็นพระโสดาบันดีนะเป็นพระโสดาบันดีไม่ใช่ว่าไม่มีกิเลสกิเลสก็เยอะนั่นแหละแต่ว่าเริ่มเห็นร่องรอยนะเห็นทางเดินที่ชัดเจนไม่แปรปลวนอีกต่อไปแล้ว แล้วก็วันหนึ่งข้างหน้าถึงยังไงวันหนึ่งข้างหน้าจะต้องถึงที่สุดของทุกแน่นอนแล้วจิตใจก็เหมือนกับคนหลงทางมาแต่ไหนแต่ไรตอนนี้รู้แล้วว่าบ้านอยู่ที่ไหนรู้แล้วว่าพ่อแม่ชื่ออะไรรู้แล้วว่าพี่น้องเรานําหน้าเราไปอยู่กับบ้านกับพ่อกับแม่เราแล้วเราก็จะต้องรีบเดินตามไม่ท้อถอยบางคนก็รีบเดินนะบางคนก็ยังขี้เกียจเหมือนกันแนหะก็มีนะพวกโสดาบานบางคนก็อธิษฐานขอเกิดเจ็ดชาติ มีนะไม่ใช่ไม่มีพวกนี้พวกพวกอะไรดีจะว่างโง่ก็ไ ม, ไม่ไม่เหมาะสมเอาฉลาดไม่มากนึกเหรอว่าเป็นโสดาแล้วจะมีแต่ความสุขมีท่านหนึ่งนะคือนางวิสาขานางวิสากขานะอาธิฐานใะนขอเกิดอีกเจชาตินะเพราะว่าจะได้เสวยบุญให้เยอะๆเนะ่ยาทำบุญมามากนะกะว่าจะเสวยให้เต็มที่เลยแกลืมไปอย่างหนึ่งเ่อก่อนแกก็ต้องทาบาปมาบ้างแหละ สุดท้ายก็คือต้องตายในทุกๆุกชาตนะิความทุกข์มันก็มาย่ํเาเดียวทุกๆชาตินั่นแหละแต่ว่าที่ยังเป็นคนอยู่บางคนภาวนาดีๆแล้วก็ขอเกิดเจ็ดชาติลงเพ่อก็เคยเห็นนะแล้วก็ไม่ว่ามันหรอกอย่างน้อยก็เอาตัวรอดบางคนนะขอเกิดเจ็ดชาติแต่ไม่ได้ภาวนามันไม่เจ็ดหรอกนะมันก็เกิดไปเรื่อยๆแหละย่ามาขอเอาไม่ได้นะมันก็เกิดอีกแหละเกิดทีไรก็เป็นทุกทุกที เกิดมันเป็นยังไงรู mm ้ส mm. ึกไหมมัน mm. มีความรู้สึกว่ามีเราขึ้นมามีตัวมีตนนั้นนั่นก็ชาติหนึ่งแล้วแต่เป็นชาติเล็กๆยังเกิดมาเป็นคุณมาลีเป็นคุณอภิชาติคุณใหญ่อะไรนี่ยก็เป็นชาติใหญ่ๆหน่อยแต่นนั้ในขณะจิตแต่ละขณะขณะก็เป็นชาติเล็กๆเมื่อไรจิตมีตัณหานั้นนั้นก็เข้าไปยึดในอารมณ์เข้าไปทํางานเมื่อนั้นก็เกิดชาติขึ้นมาเกิดความมีตัวมีตนผุดขึ้นมาบางคนสงสัยว่าความเป็นตัวตนมันเกิดตอนไหน มันเกิดตอนที่จิตมันไปทํางานนั่นแหละพอมีพบแนละ้วมันก็เลยมีชาติขึ้นมามันก็รู้สึกมีเราขึ้นมานะคอยดูเอานะต่อไปก็จะเห็นว่ามันก็สักว่าชาติสักว่าชาตินะั้นไม่ใช่เรานี่พระโสดาเห็นอย่างนั้นยังมีพบมีชาติไหมยังมีแต่เห็นแล้วว่าพบก็ไม่ใช่เราชาติก็ไม่ใช่เราเป็นแค่รูปประธรรมนามธรรม ท, ที่เกิดดับสืบเนื่องไปเท่านั้นเองนะคอยฝึกนะฝึกแล้วจะได้ของดีของพิเศษ เบื้องต้นก็จะมีความสุขในชีวิตธรรมดานี่แหละจิตใจที่ยิ่งภาวนานะมันจะมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นเพราะความทุกข์มันจะสั้นลงเรื่อยๆความทุกข์มันจะเบาอย่างบางคนนะสามีมีอหนูนะแต่เดิมทุกข์มากเลยก้มใจก้มใจมากๆมาเรียนธรรม ะ, ละหลังดีใจนะมันมีหนูได้มันจะได้ไม่ยุ่งเราเราได้ภาวนาเนะี่ยไม่ต้องไปปลนนิบัติมันให้มันไปอยู่ที่อื่นเลยนะ สมัยพุทธกาลก็มีนะผู้หญิงคนหนึ่งก็เป็นพระโสดาเขาอยากทําบุญสามีเขายุ่งยุ่งเลยเขาหาอีหนูให้คนหนึ่งนะแล้วอีหนูนี่มันแบบอีหนูรับจ้างอะ่นะอีหนูรับจ้างเขาจ้างมาจ้างมาอยู่นานเลยนะมันก็เลยลืมตัวไปคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าของบ้านนะแล้วเห็นเมียหลวงเนี่ยนะทําครัวทั้งวันเลยหน้ามอมเพื่อนอยู่ทั้งวันสามีไปเห็นกันสามียืนอยู่บนห้องนอนนะมองลงมาที่ครัว เห็นเมียหน้ามอมใช่นะมอยู่กับเมียน้อยนะผัวพกหัวเราะเลยว้าอีนี่โง่ไม่ได้พูดออกมานะนางเนี่ยโง่โดูสิมัวแต่ปลุกอยู่กับของโสกับปลวกนี่ยให้ไปทําบุญให้พระกินมันจะได้อะไรขึ้นมาหัวเราะขึ้นมานะอีนังเมียน้อยนึกว่าผัวไปเห็นเมียหลวงแล้วก็ปลื่มหัวเราะนะคงจะรักมากนะหึงเลยนะมันบุกลงมาในครัวนะมันเอากระทะน้ํามันนะยกขึ้นลาดเมียหลวงเลยนะเมียหลวงไม่โกรธนะไม่โกรธ ก็ไม่เป็นอะไรหรอกเพราะว่าลูกน้องเนียช่วยกันหลุมตืบ้บ <c oughs> แกก็ห้ามไว้นะเ อ, เอาตัวมาเอาเมียน้อยมาเอาจับยาเอาใส่ยาอะไรเงี้ยดูแลให้นะไม่โกรธอะไรเขาทํา <c oughs> คนถามว่าทําไมไม่โกรธเขามีบุญคุณนะเขามีบุญคุณทําให้ชั้นมีเวลาที่จะทําอาหารถวายพระพุทธเจ้าเนี่ย <c oughs> พวกเราคนไหนสามีมีเมียน้อยลองทําใจอย่างนี้ดูบ้างทําไหวมไหม <c oughs> คงเอากระทะไปลาดมาันนั่นแหละเนาะไม่ใช่ถูกเพียงน้อยลาหรอกมันอยู่ที่มุมมองของชีวิตนะในสถานการณ์อันเดียวกั น, นมองให้มีความทุกข์ก็ได้มองให้ไม่ทุกข์ก็ได้มองให้เป็นโทษก็ได้มองให้เป็นคุณก็ได้ในคนไหนฝึกจิตฝึกใจมีสติมีปัญญาแล้วก็จะมีมุมมองที่ทําให้ตัวเองไม่ทุกข์ทุกข์น้อยน้อยเห็นไหมนี่แค่ฝึกสตินะยังไม่ได้มากได้ผลเลยก็มีความสุขแล้ว สามารถดํารงชีวิตอย่างมีความสุขมีความทุกข์น้อยลงนะ้อยลงนะคนที่แวดล้อมเราก็พลอยมีความสุขไปด้วยลูกเต้าเราก็จะดีหลายบ้านนะลูกดือ้อดื้อมากๆเลยยิ่งตีมันยิ่งดือ้อไปพามาจะให้หลวงพ่อสอนบอกช่วยสอนเด็กนี้หน่อยเด็กนี้เลวร้ายสารพัดจะเวลวเราก็นึกนะแม้เรามีแม่อย่างนี้เราก็คงไม่ชอบนะเอาเราเที่ยงมันด่าต่อหน้าคนต้องเป็นร้อยๆ อ, อย่างเงี้ยเห็นไหมดูไปดูมาปัญหาไม่ได้อยู่ที่ลูกหรอกปัญหาอยู่ที่แม่ แม่มันวุ่นวายเหลือเกินนะเลยสอนบอกว่าให้แม่มันเปลี่ยนซะก่อนนะแทนที่จะตีลูกนะให้ก่อนลูกให้เยอะขึ้นหน่อยะดูแลลูกให้มากหน่อยในสุดเด็กมันอ่อนลงนะเด็กมันค่อยซาบลงซาบลงมีความสุขในบ้านตัวเองคนนะไปหาความสุขข้างนอกถ้าในบ้านหาความสุขไม่ได้ในใจของเราหาความสุขไม่ได้ไปหาที่ไหนนะถ้าใจเรามีความสุขแนละ้วแต่ไปในบ้านเราจะร่มเย็น คนรับรบตัวเราก็ร่มเย็นลูกเราก็ร่มเย็นขึ้นมาเด็กทุกวันนี้น่าสงสารเด็กมันร้อนไปหมดแล้วผู้ใหญ่ก็ร้อนเด็กก็ร้อนร้อนไปด้วยกันหมดเลยรู้สึกชีวิตไม่มีทิศทางเลยไม่มีอนาคตเลยใครรู้สึกว่าชีวิตมีอนาคตที่มั่นคงบ้างตอนนี้ถามจริงๆการเมืองอย่างเนี้ยเมื่อไหร่จะหายเศรษฐกิจเมื่ออย่างเนี้ยเมื่อไหร่จะดีขึ้นมันไม่มีวีแววเลยนะดงนั้นเราฝึกจิตฝึกใจของเราแล้วเราจะมีความสุขได้ นี่ผลประโยชน์เบื้องต้นเลยนะฝึกไปเราจะมีเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันด้วยคนอื่นก็ต้องมีเครื่องอยู่อย่างอื่นนะต้องวิ่งออกไปดูหนังฟังเพลงต้องไปกินน้อนกินนี่มีความสุขเรามีสติอยู่เราก็มีความสุขแนละ้วเนี่ยมาแข่งความสุขกับหลวงพ่อสู้หลวงพ่อไม่ได้นะเราอยู่เฉยๆเราก็มีความสุขแนละ้วดูสิวัวนขึ้นทุกวันเลย <laughs> <laughs> จนหน้าตาจะเหมือนแปะยิ้มแล้วหลวงพ่อนะ กินนิดเดียวนะกูบาอาหฉันเยอะกว่า ห, หลวงพ่อตั้งหลายเท่ามันถอมเป็นกรรมพันธ์ส่วนหลวงพ่ออ้วนเป็นกรรมพันธุ์แต่ว่าถามว่าเรามีความสุขมันมีความสุขเยอะมากนะภาวนาแล้วมีความสุขจริงๆเลยตอนจะบวชนะหลวงพ่อองคนหนึ่งท่านชวนให้บวชนะเราก็ไม่อยากบวชรู้สึกภาระทางโลกเรายังมีต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ก็ไม่อยอมบวชนะสุดท้ายท่านด่าบอกว่าประมาท ความสุขของดีของวิเศษนะั้นอยู่ต่อหน้าต่อตาเอาได้ก็ไม่เอานะเรียกว่าประมาทเนี่อมาบวชนะเลยรู้เลยโอ้โหมันมีความสุขเยอะกว่ากันเยอะเป็นฆราวาสมันก็ดีนะแล้วสุขเหมือนกันแต่สุขคอไก่พอมาเป็นพระนมันสุขขอไข่แต่ไม่ใช่ชวนทุกคนบวชนะหลวงพ่อจะไม่เหมือนครูบาอาจารย์บางองค์หลวงท่านชอบชวนคนบวชหลวงพ่อคนจะมาขอบวชต้องสัมภาษณ์กันนานเลยไม่ค่อยให้บวชหรอก ก็มีวิธีที่พระเล่นขี้โกงบอกจะขอบวชสักเดือนสองเดือนอะไรเงี้ยเราใจอ่อนเราก็ให้นะแล้วไม่ยอมฝึก <c oughs> อยู่กันเต็มวันเลยตอนเนี้ย <c oughs> แล้วฝึกไปแล้วมีความสุขนะแล้วต่อไปนะพอฝึกทําสมควรเกียรตธรรมเนี้ยเกิดมรรคผลโอ้ตรงนี้อชชัศจรรย์แต่เดิมเนี้เราก็นับถือพระพุทธเจ้านะนับถือบ้างเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างนะ วันดีคืนดีก็เชื่อนะวันร้ายคืนร้ายก็ไม่เชื่อเชื่อกิเลสบ้างเชื่อพระพุทธเจ้ามั่งนะเรียกว่าเดี๋ยวก็เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเดี๋ยวก็เป็นสาวก ข, ของมารมีศรัทธาที่กลับกรอกโบราณให้เรียกศรัทธาหัวเต่าหัวเต่านั้ น, นมันปลุบปุโรปลโศรัทธาของอุทุชนนี่เป็นศรัทธาหัวเต่าปลุบปลุบปลโรป ล, ป ล, ป ล, ปลนะอย่างถ้าครูบาอาจารย์ตามใจนะโอ้อยองนี้เมตตาดี คบาจารย์ดุด่าว่ากล่าวทนไม่ได้องค์นี้ใจร้ายไม่ชมเลยบางคนมาหาหลวงพ่อนะหลวงพ่อไม่เห็นชมหนูเลยเราก็เป็นพระซื้อตรงนะบอกมีอะไรให้ชมอ่ะมีอะไรน่าชมภาวนาก็ไม่เปน็นจะให้ชมอะไรชมเข้าไปได้ยังไงยิ่งชมยิ่งเหลวไหลเห็นไหมนั้นมาเรียนกับหลวงพ่อทนทนนะใครทนได้ก็ได้แก่นของไม่ชมเล่นง่ายๆหรอกนะมีแต่เรื่องภาวนาทีไรผิดทุกที ทำอะไรก็ผิดทุกทีเชื่อไหมพวกที่มาใหม่ๆเรียนไปนะเราจะรู้ว่าไม่ว่าทําอะไรก็ผิดทุกทีแหละไม่มีชมหรอกที่ทําอ่ะแต่ถ้ารู้ว่าทำผิดนะชมนะรู้ว่าหลงไปแล้วรู้ว่าโลภไปแล้วรู้ว่ากวโกรธอ้ออย่างนี้หลวงพ่อชมเราฝึกนะวันหนึ่งเราจะได้เป็นพระโสดาบันชีวิตมีความสุขมีความสุขเพราะมีความรู้สึกมั่นคงจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตกระทั่งจะตายยังไม่หวั่นไหวเลยนะ รู้สึกว่าชีวิตมันของพวกเราทำไมกลัวตายมากเรากลัวสูญเสียแต่บรรดาพระอริยบุคคลทั้งหลายเนี่ยมองความตายนะเหมือนทหารหานกล้าหารนะจะเข้าสนามรบคึกคักนะไม่ใช่มองความตายแบบน่าสยดสยองทำไมพระโสดาพระสกทาคาอะไรไม่ค่อยจะกลัวตายท่านรู้ว่าชีวิตข้างหน้าจะดีกว่านี้ ชีวิตของท่านจะดีขึ้นได้พวกเราไม่มั่นใจใช่มเรารู้สึกตอนนี้ก็ดีแล้วรวยนี่มีเงินมีรถขี่คันหนึ่งตั้งส4สี่วาอะไรเงี้ยนะมีโน้นมี น, นี้เยอะแยะมีแหวนเพชรอยู่กระต้งหนึ่งอะไรเงี้ยนะ <c oughs> ชีวิตเสียดายสูญเสียแล้วเสียดายส่วนพระยะทั้งหลายนะท่านภาวนาอย่างท่านเห็นชีวิตนี้มันมีแต่ทุกข์มันเสียดายตรงไหนเดยเฉพาะพระลราหันเนี่ยนะจะเห็นว่าขันนีทุกข์ร้วนๆเลย เงั้นขันจะแตกขันจะดับเนี่ยไม่ได้มีความหมั่นไหวนะมีแต่ความร่าเริงงั้นเวลาที่พระอรหันต์จะนิพพานนะบอกโอ้ยทาไมวันนี้ผ่องใสพิเศษนะตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาเลยพระนนยังชมเลยนะวันนี้พระองค์ผ่องใสเป็นผิดปกติเลยท่านบอกท่านผ่องใสสุดๆนะตอนบรรลุพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้ทีหนึ่งนะกับตอนจะปรินิพพานอีกทีหนึ่งทําไมผ่องใสสุดขีดเพราะว่าท่านจะเข้าถึงนิพพาน นิพพานสองแบบวันที่บรรลุพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้านั้นท่านเข้าถึงกิเลสปรินิพพานนิพพานกิเลสวันที่ร่างกายท่านจะแตกนะท่านเข้าถึงนิพพานขั น, นขันธาปรินิพพานเข้าถึงนิพพานด้วยกันแลท่านก็ร่าเริงสีสัมผัสนิพพานส่วนพวกเราเวลาจะตายใช่ไหมถ้าภาวนามไม่เป็นนะก็ทุรนทุรายไปหรือเสียดายห่วงโน่นห่วงนี้นะถ้าห่วงมากก็เป็นเปรตทุรนทุรายก็ตกนรกใช่ไหม ซอเซ เ, เสื่องเสื่องซึมซึมไม่รู้เหนือรู้ใต้ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานฟุ้งซ่านไปฟุงฟ้งฟุงฟ้งเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือว่าเจ้าความคิดเจ้าความเห็นนตอนนั้นนี่จะตายแล้วไม่เห็นพระมาช่วยเราเลยทําบุญมาตั้งนานนึกว่าพระจะช่วยนะเนี่ยมีมิจฉาทิฏฐิข้นมาก็ไปเป็นอสุรกายงั้นเราฝึกนะเราฝึกไปเรื่อยๆชีวิตข้างหน้าเราก็จะดีขึ้นเราได้ธรรมะ ข, ขึ้นมาวันหนึ่งเป็นพระอราหันต์นะ โอโ้มีความสุขไม่รู้จะบอกยังไงอันนี้ไม่ใช่คําพูดหลวงพ่อหรอกหลวงพ่อพูดเองไม่ได้หรอกนะเดี๋ยวถูกจับศึกหลวงพ่อก็ต้องอ้างอิงหลวงปู่สุวัตท่านเคยบอกไปกราบท่านนะท่านก็นั่งอยู่บนรถเข็นรถคว่าท่านเป็นอมภภาพา ท, ท่านก็นั่งอยู่บนรถเข็นนะท่านเจอหน้าท่านไปไหว้ท่านนะท่านสุขแท้นอสุขแท้นอ มีความสุขจังเลยเราดูท่านท่านสุขจริงๆนะเราสุขกอไก่ท่านสุขกอไข่นะนี่ท่านมีความสุขจริงๆท่านบอกว่าท่านภาวนามาแต่เบื้องต้นนะท่านไม่นึกเลยนะว่ามันจะมีความสุขได้ขนาดนี้พอท่านสัมผัสกับธรรมมันยิ่งใหญ่แล้วท่านรู้สึกเลยมันมีความสุขที่สุดเลยพวกเราก็ภากเพี้ยนไปนะวันหนึ่งเราจะร้องบ้างสุขแท้แน่สุขแท้แน่ แต่พระทหารบางองค์ก็ไม่ลองสุขแท้นอนนะพระองค์ทุกแท้แท้เลยนะทุกเดินไปไหนก็บน่นแต่ว่ามันทุกจริงๆนะองค์นี้ท่านดูทุกสิ่งทุกอย่างเลยในโลกไปทางไหนมันมีแต่ทุกทั้งนั้นเลยมีทั้งสองแบบนะบางองค์ท่านอยู่กับธรรมของท่านท่านก็ว่ามันมีแต่ความสุขบางองค์ท่านออกมารู้ขันรู้โลกธาตุท่านก็ว่าโอมันทุกจริงๆสมัยพุทธกาลมีทั้งสองแบบเลยแล้วพวกพระสมัยพุทธกาลมีลักษณะเด่นอย่างหนึ่งขี้ฟ้อง วันหนึ่งได้ยินพระองค์นี้ท่านเดินโอ้สุขแท้สุขแท้น้ออะไรนี้ re นะก็รีบไปฟ้องพระพุทธเจ้าว่าองค์เนี้ยแต่เดิมเป็นกษัตริย์คงจะคิดถึงความสุขคงอยากจะศึกแล้วพระเจ้าค่ะนะนี่หวังดีกับเพื่อนนะรีบไปฟ้องเลยพระเจ้าก็เรียกมาถามว่าทําไมเดินบ่นว่าสุขเหลือเกินท่านบอกว่าตอนท่านเป็นกษัตริย์อยู่เนียกินข้าวก็กลัวถูกวังอย่าพิษ จะนอนก็ต้องเปลี่ยนที่นอนไปเรื่อยๆกลัวคนมาฆ่าทําอะไรก็กลัวหมดเลยทั้งๆ ท, ที่แวดล้อมด้วยผู้คนจํานวนมากนะท่านก็มีแต่ความกลัวตลอดกลัวกระทั่งว่ารัชทายาทมันจะฆ่าออกไว้ใจใครไม่ได้สักคนเลยนี่ท่านสะละราชสมบัติออกมาบวชนะท่านมานอนกลางดินกินกลางทรายนะท่านนอนหลับสบายเลยท่านไม่กลัวว่าใครจะมาฆ่าทันละนี่ท่านมีแต่ความสุขล้วนๆเลย อีกองหนึ่งก็เดินไปไหนก็ทุกหน้อทุกหนอนพระช่างฟ้องก็ไปฟองพุทธเจ้าองค์นี้คงศึกเนี่ยเห็นว่าเป็นพระลําบากมากเกินไปนเรียกมาสัมภาษณ์นะบอกท่านตัวท่านมีความสุขนะแต่ท่านเห็นโลกนี่มีแต่ความทุกข์คิดถึงอดีตของตัวเองก็มีแต่ความทุกข์รู้ดลงมาได้บุญเหลือเกินนั้นฝึกไปนะวันหนึ่งเราจะมีแต่ความสุขมีความสุขที่มหาศาลเลยนะมีความสุขเพราะว่าพ้นจากขั น, นยังไม่สิ้นขันนะยังไม่ตาย ขันมีอยู่นะแต่จิตมันพ้นจากขันนี่ก็จิตพรากจากขันขันน่ะเป็นทุกขันทํายังไงขันนก็ไม่เป็นสุขไปได้หรอกขันมันเป็นตัวทุกข์แต่ว่าพอจิตมันพรากจากขันนั้จิตมันมีแต่ความสุขสดชื่นที่สุดเลยนะมีคนเคยถามหลวงพ่อนะว่าอยู่กูติอยู่คนเดียวนะทั้งวันเลยเหงาบ้างไหมบอกว่มันจะเหงาอะไรไม่เคยเหงาเลยนะมีแต่ความสุขนะไม่เหงาหรอกนะ บางคนเป็นห่วงหลวงพ่อกลัวหลวงพ่อเหงาจะได้าหาเรื่องหาคนมาช่างคุยกับเราเนี่ยกลัวที่สุดเลยคนมาคุยด้วยเนี่ยงั้นวันไหนโยมไม่มานะหลวงพ่อโอ้สุขแท้เนาะ <c oughs> วันไหนโยมมาโอ้ทุกแท้เนาะ <c oughs> เห็นโยมก็น่าสงสารนะแล้วก็พยายามสอนให้อนะมีได้คิดจะเอาอะไรแล้วละ่ะโดยส่วนตัวเราเราก็สบายแล้วก็มีความสุขสบายของเราพอสมควรเห็นโยมก็สงสารก็สอนให้ อย่าดื้อนักนะอย่าดื้อมากแต่รุ่นนี้หลวงพ่อชมนะไฟฟ้ารุ่นนี้ไม่ดื้อบางรุ่นนี้นะัเข้ามาในห้องก็มึดตืดตือมาเล ย, ยดื้อหัวดื้อหัวแข็งเห็นทีหนึ่งก็รู้แล้วว่าดื้อจริงๆถ้าดื้อมากใครก็จะสอนไหวครูบาอาจารย์บางองค์นะั้นท่านเคยบ่นให้หลวงพ่อฟังท่านเห็นหลวงพ่อสอนแนละ้คนตื่นเยอะเลยตอนนั้นหลวงพ่อยังไม่บวชนะเมื่อยี่สิบปีก่อน แล้วท่านก็บ่นเลยลูกศิษย์ท่านมันไม่เอาไหนเลยเวลาท่านสอนมันนะเหนื่อยเน่อ ย, เ, อยเหมือนเข็นควายขึ้นภูเขาไม่ใช่เข็นครอกนะเข็นครอกมันไม่สู้นะเข็นควายมันแหวงเอางั้นทําใจดีๆนะอย่ามาแหวงเอานะตั้งใจออกเรียนเข้าไปสังเกตตัวเองเข้าไปอย่าดื้อนนะักเดี๋ยวนี้หลวงพ่อแก่แล้วนะดื้อเราสู้ไม่ไหวแล้วแล้วญาติโยมก็เยอะถ้าดื้อนนะักก็ต้องปล่อยทิ้งลนะปล่อยทิ้งนะั้นในทางธรรมะก็คือการฆ่าทิ้งนั่นเอง ท่านเทียบคนเหมือนม้านะมีคนเหมือนมา้าม้าบางตัววิ่งดีไม่มีปัญหาสอนง่ายาก็ให้กินให้กินให้อิ่มให้พักให้พอบางตัวก็ต้องอดนอนพอนอะาหารบางตัวสอนไม่ได้เลยก็ให้ฆ่าทิ้งไปนี่ท่านเปรียบเทียบไปอย่างนี้ฉะนั้นถ้าไม่ดื้อ น, นะคอยสังเกตใจของเราไปฟังหลวงพ่อพูดแล้วก็ลืมของเก่าไปนะใครเคยฝึก อ, อะไรเก่าๆมาลองมาทดลองกับหลวงพ่อสักเดือนหนึ่งนะเดือนหนึ่งก็เห็นผลแล้วล่ะถ้าเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอก เราจะรู้เลยว่าที่ทำทำกันมานส่วนมากมันไม่ใช่หรอกไม่ใช่ทางที่พระพุทธเจ้าสอนทางที่อาจารย์สอนซะเป็นส่วนใหญ่ถ้าทางที่พระพุทธเจ้าสอนนะยิ่งเดินยิ่งปลอดโปร่งโล่งเบาขึ้นไปเรื่อยรู้ตื่นเบิกบานมากขึ้นมากขึ้นนะรู้ความจริงของชีวิตมากขึ้นกิเลสปรุงแต่งจิตได้น้อยลงน้อยลงความทุกข์น้อยลงน้อยลงสั้นลงสั้นลงนะมีแต่ความสุขมากขึ้นเรื่อยๆะจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองได้เลยอะ8โมงพอดีเชิญไปทานข้าวนิ่หมดเลยครับนิ่หมดว่องไวเลยครับ วันนี้เน้นความไว